ไม่เห็นความเป็นระนัก็มองเห็นเป็นความเที่ยงคือไม่เห็นกันกับพิสต์ไม่เห็นกันการยิบยิบยิิบยิบจริงจริงยิบยิบเนี่ยคือการรับรู้ของจิตเนี่ยจิตเราเราไม่ดีตัวมันแสดงตัวไม่ได้แต่มันรับรู้ได้ว่ามีการยึดยิบพุ่มพุ่นะอันนี้ออกอันนี้เป็นเพนนะตอนนี้อันนี้อยู่นี้ตอนเราแกว่งมาทางนี้อันนี้มาทางนี้ใช่ไหมการรับรู้ที่อยู่ตรงเนี้ยมันดับไปแล้วแล้วก็มาเกิดการรับรู้ตรงนี้ นะเพราะฉะนั้นเวลาอันนี้เคลื่อนนิดเดียวเนี่ยการรับรู้ของจิตเนี่ยมันจะเกิดดับเพราะพออันนี้เคลื่อนเราตรงนี้การมองทางตามันมองไม่เห็นแล้วถูกไหมเพราะไอสิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแล้วสิ่งที่ดูเห็นมันเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นการมองเห็นก็ต้องดับไปแล้วมาเห็นอันใหม่ที่เคลื่อนมาที่ตรงใหม่ก็เห็นเกิดขึ้นแล้วอันนี้เคลื่อนต่ออีกไอตรงนี้ไม่มีให้เห็นแล้วมันก็ดับใช่ไหมมันก็เกิดดับไปเรื่อยแต่กลายเป็นว่าทําไมเราเห็นสิ่งนี้เคลื่อน แต่จริงความเกิดดับของจิตการรับรู้มันเกิดดับต่างหาีลองดูนะเห็นไหมมันลายตาเลยอ่ะมันลายตาดิเพราะว่ามันเกิดดับของมองออกนะเรื่องจิตอันนี้เรื่องจิตซึ่งเราเราให้เข้าใจเรื่องจิตว่าไอตัวมองเห็นเนี่ยมองเห็นสิ่งนี้แต่ตัวมองเห็นมันเกิดดับตลอดเลยกลายเป็นว่าอันนี้ไหวเแต่จริงอ่ะไอเ น, นี้ยมันไหวไม่ไหวไม่รู้จิตเรอต่นงา นะฮไม่รอกนะยิ่งอาจจะมาทําให้เร็วดูสิความความเร็วของการเรียรู้ผมบอกว่ามันเร็วไม่จากัดมันสามารถเห็นได้ตลอดแต่ว่าแบบแบบนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวถูกไหมนิดเดียวจริงจริงตะนั้นเนี่ยขนาดจิตเนี่ยจิตนึงเนี่ยมันอายุตั้งมากนิดเดียวนิดเดียวอันนี้ไม่ใช่ไวนะมันเป็นความเกิดจากของจิตผมจะพี่บอกตนนี้อยู่ตรงนี้ ตามองเห็นพอนี้เคลื่อนตรงนี้ไม่มีมองเห็นแล้วแต่มาเห็นใหม่ตรงนี้พอยนี้เคลื่อนอีกตรงนี้ดับมองไม่เห็นมาเห็นใหม่ตรงนี้เพราะฉะนั้นฟอยนี้วิ่งไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะจะเห็นเห็นแต่สิ่งที่ถูกเห็นมันต้องเห็นก่อนหน้านี้มันจะต้องดับไปดับไปดับไปแล้วนี่นี่ถ้าถามว่าที่โยมเห็นเนี่ยสายเส้นนี้มันไหวหรือหรืออย่างไรเคยฟังนิทานเป็นไหม นิทานเป็น ม, มีมีสามแม่นเองหรืออะไรไม่รู้เขาเขายืนเข้าแถวอยู่รอรับเวหลังแล้วเขาไปเห็นพงมันสบายมันไหวอะ่ะพงมันเป็นอย่างนี้ยแล้วก็สองคนเสียงกันบอกว่าดูดูพงทําไมมันไหวอีกคนบอกว่าที่มันไหวเพราะมีลมเพราะลมพัดอีกคนหนบอกว่าที่มันไหวเพราะเพราะพงเพราะถ้าไม่มีพงมันก็ไม่มีอะไรจะไหวแต่ละคนเหตุผลดีมาก อ้งกันไงคือท่า น, าา น, นั้งฝังทีละข้างในมันมีเหตุผลหมดที่นี่เว่ยหลังมาเห็นสองคนเถียงกันเว่ยหลังบอกว่าที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ทั้งคู่จิตของท่านไหวหลังหนักไม่บอกหมนะสองพ่อนียมันเป็นเรื่องจิตไหวหลังหนักเนี่ยก็ดจิตจิตรับรู้การสัมผัสเนี่ยแค่นี้ไม่พอนะความคิดนึกคุ่กแต่งยังมีต่ออีกถูกนะไหมแค่แค่แค่ แค่ okay, รับรู้หลายตาเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยเขาเห็นจริงไม่พูดถูกไ้ยแต่ที่พูดในบอกมันก็พูดในใจบอกว่าเฮ้ยจิตนี่จิตไว้อันนั้นดีเรื่องมันจะไม่เป็นไรแต่เราเอาเอาความ เ, เ, เ, เข้าใจระดับการสรัมผัสรู้ต่างๆเห็นการเกิดจากสังตรงนี้แล้วไนงะนี่คือส า, าระธรรมที่ไม่มีภาษาจะพูดเพราะภาษาพูดคือสิ่งที่ปรุงแต่งอธิบายความตามที่ได้รู้ได้เห็นอ่าเข้าใจเรื่องตานะเพราะฉะนั้นะนะหัดมองให้ ให้ทุกอย่างเนี่ยให้มันให้มันเหมือนกับว่ามันไม่หยุดนิดอาจจะมองยากแต่ว่าถ้าสมมติเรามองไม่ออกเช่นเรามองเสานะเรามองเหวานี่ยเราไม่เห็นมันยึบยักเลยก็ไม่เป็นไรมันไม่ยิบยักก็ให้เห็นมันไม่ยึบแค่นี้ยพราะเราเข้าใจเรื่องการเกิดดับของของของจิตทางตาแล้วว่ามันเกิดดับได้เร็วตามตามสภาพที่มันเห็นถ้าสิ่งถูกเห็นดับไปจิตมันก็ดับไปเหมือนกันมันก็เป็นรูปนามไปเรื่อยอนะ ักรูปงามไปเรืยทีนี้มาหูตาจมูกทำนองเดียวกันนะหูตาจมูกลิ้นกายกายเนี่ยของเราเห็นมหมถ้าเราตีครั้งหนึ่งเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วแปดครั้งหนึ่งง่ายอยู่แล้วเห็นไหมหนึ่งเดียวเรารู้ทันจิตแค่หนึ่งเดียวเออให้เราหัดรู้ทันแบบเนี้หนึ่งเดียวถ้าหัดรู้ไม่ทันวันวหนึ่งหัดตีไปเรื่อยๆพอต่อมายุงกัดตับมันจะเข้าใจได้ทันทีเลยว่าเนี่ย เข้าใจแบบไม่ต้องพูดเลยหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวโหแต่ทางจิตก็เหมือนกันอะไรเกิดขึ้นในจิตก็เป็นจิตหนึ่งที่รู้เป็นหนึ่งเดียวเช่นหนความคิดเกิดขึ้นปั๊บจิตรู้ขนาหนึ่ ง, งความคิดลากยาวเราไม่รู้ก็แล้วไปพอมันไม่ได้ปั๊บก็หนึ่งเดียวเนี่ยที่บอกว่าจิตหนึ่งจิตหนึ่งไม่ใช่อะไรเลยจิตหนึ่งก็คือจิตที่มันรู้แตบบ่ที่เราพูดอย่างนี้ได้มันเกิดจากปัญญาไปเห็นไปเห็นการรับรู้เงี้มพงงเพิ่มมุมเพิ่มไปไหมเนี่ย ไเปเพิ่มนะจนะจางนะเออเราเมื่อกี้เราคิกว่าเอ๊ะสิ่งที่เข้าใจมาแล้วเรามาพูดฉา ก, นกเนี้ยฉากสุดท้ายเนี่ยจะทำให้งงขึ้นไหมเนี้ยเออ<จ>อ่ทีนี้เราหัดหัดให้เห็นเป็นอย่างเนี้ยบ่อยๆแล้วจิตจะไม่เสพอารมณ์แต่ถ้าเราแช่นะสมมติว่าเราฟังอะไรแช่แช่อาจจะเป็นสมรชาได้เหมือนกะันเพราะฉะนั้นเราเราค่อเรียกว่าฟังแบบไม่ต้องจดต่อ เช่นสมมติเสียงนะนะได้ยินเป็นข้างข่าวพอได้ยินปั๊บมันเห็นเลยว่ามีการขาดเป็นเป็นขนาดเป็นขนาดแล้วเสียงดับไปเราก็ไปรู้อย่างอีกสองเนะมันดับตึ๊กตึกไอกลองนะปุ๊บปุหรือโยนทำมือดูอย่างนี้ดูดีไหมลองทำดูเห็นไหมจิมันรักรู้แบบเคลื่อนยุทธ์เคลื่อนยุทธ์อ่ะที้เป็นภาษาไทยชัดมากเลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไม่หลงอารมณ์เห็นการขาดนการขาดสัมสติ แล้วมันก็ไม่ได้ตัวตนอ่านางก็ใช้น้ำวิธีปฏิบัติถ้าเราเข้าใจเหมท่านเนี้ยรู้เรื่องจิตหนึ่งจบเลยก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรต้องละไม่มีอะไรต้องวางเลยเพราะมันดับไปในตัวเฮ้ยจิตที่รู้ที่ทราบนี่แหละใช่แค่ไรแค่รู้แล้วดูนะราก็ มองใหม่เองว่าใครรู้ก็เราเข้าใจแล้วว่าที่รู้ก็คือก็จิตรู้จิตรู้เนี่ยมดูสิมันเป็นเราที่ไหนอ่ะมันรู้เฉยเฉยอ่ะ <c oughs> มันไม่มีตัวเราเลยอม่มีตัวเราเอาทีนี้เราจะแก้ปัญหากับตัวเองอยังไงคามรู้สึกตัเนี้ยว่าตัวเนี้เป็นเราถูกไหมความรู้สึกอย่างนี้ไหมเออมีมีรู้สึกตัวเรานะแช่ไหมความรู้สึกตอนที่นั่งเนี่ยเราทํายังไงกับสิ่งนี้ ก็มองให้เป็นสิ่งถูกรู้นะลองๆองมองเป็นไหมลองมองให้เป็นสิ่งถูกรู้ใช่ไหมเนี่ยก้อนๆอะไรเนี่ยเห็นไหมรู้ได้นี่เป็นก้อนๆนั่งอยู่ให้มันเป็นสิ่งถูกรู้นช่ไหมว่าจิตผู้รู้ใช่ไหมจิตไม่รู้อยู่ไหนอันนี้เป็นยางปัญญาสุดใจของว่ายางปัญญาใช่ยางปัญญามาเห็นไอ้นั่งอยู่เนี่ยพอพอไปเห็นตั้บเออมันเห็นเป็นเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งน่ะหน้าตาอย่างเนี้ย มันก็ถูกล้างไปมันไม่เป็นเราแต่ถ้าเราไม่เห็นสิ่งนี้คือคือมันเป็นเราไปนะคนนั้นแยกออกมาให้พูดดูเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนมาเห็นตัวเองเนี่ยแต่มันไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นต้นๆหนึงเนี่ยอย่างโยมดูสิต้นๆหนึ่งอะนั่งเอออะปล่อยได้นะมันเหมือนแยกออกมาเป็นชุดเดียวถอ้าวตก็ขายกับเรายอะไรมาัยข้ต้มนรกเหองวอะไร้าก เป็นผู้ดูดูตัวเองเหมือนกับคนคนหนึ่งดูตามโผลก็เหมือนกันดูตัวเองเหมือนกับคนอคนื่นโผล่เห็นแหมพอมันเป็นสิ่งสิ่งถูกรู้บัางเนี่ยมันจะถ่อยเลยนะตรงนี้เราก็ไปหันเล่นใช่เป็นอะไรไม่รู้เราต้องมามาหัดนะตรงนี้ยต้องเจริญมาหัดหัดนั่งดูให้มันเป็นสิ่งถูกรู้เสียแต่ตัวรู้ก็ช่างมาเทอะมันไม่รู้อยู่ไหนใช่ไหมถ้าเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยดูง่ายเนี่ยือสิ่งถูกรู้มันนี้ก็เป็นสิ่งถูกรู้ อันนี้ก็ถ้ามองด้วยตาก็เป็นสิ่งรู้ๆถ้าปิดตาก็มันอาจจะเห็นเงาใช่ไหมเป็นสัญญาจำภาพได้ก็เป็นสิ่งรู้หมดนะหมดเมื่อหมดตัวน่ะเนาะ <c oughs> อ้าวโอเคนะแต่งี้นก็ต้อกวกอนกวนใจ้เล็กละ